กรรมฐานนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะช่วยตัวเองเรียนแล้วไม่ลงมือทำให้จริงจนะังเนก็ไม่ค่อยได้ผลอย่างมากก็ได้แค่สบายใจถ้าอยากพ้นทุกข์จริงต้องอดทนนะวินัยในการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมาก แต่จะ ต, ตื่นนอนต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปนิหัดใหม่ๆรู้สึกไม่เป็นไปเพ่งกายเพ่งใจตื่นมันก็เพ่งเลยเครียดก็ไม่ถูกเราอย่าลืมกริยาของการปฏิบัตินะคือคำว่าเห็นคำว่ารู้คำว่าเห็นนะเราไม่ได้ไปทำอะไรเห็นอย่างที่กายเป็นเห็นอย่างที่ใจเป็น อย่งางหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมภาวนาตอนตื่นนอนเห็นจิตมันเคลื่อนขึ้นจากผวังเคลื่อนขึ้นมาตอนนั้นไม่มีความคิดนะความคิดเป็นเรื่องๆอะไรอ่างเงี้ยมันยังไม่เกิดจิตจิตคือความรู้สึกความรับรู้มันผุดขึ้นมาจากผวังเคลื่อน ตรงที่เคลื่อนผวังคดจาระณะเสร็จแล้วก็ตัดกระแสะวังะวังคู่ปัจเฉทะขาขึ้นมารับรู้มันทำงานเป็นช็อตๆทีแรกมันเมอนขึ้นมาแล้วเปิดสวิตช์ทีหนึ่งก่อนแล้วความคิดก็เกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้น ไม่ใช่มีแค่ความรับรู้เฉยๆพความรู้สึกนกคิดเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนเปิดสวิตช้างที่สองความรู้สึกเนี่แผ่ออกไปกระทบร่างกายแล้วรู้สึกว่าร่างกายมีอยู่ตอนนี้มีครบทั้งกายทั้งใจแล้วพอมีครบทั้งกายทั้งใจแล้วมันก็ทำงานต่ออีกจิตมันก็เลือกช่องทาง ว่ามันจะออกรับอารมณ์ทางไหนี่ตอนที่เราอยู่ในผวังนะมันมีเสียงอะไรแปลกๆมากวนการหลับลึกของเราจิตมันเคลื่อนขึ้นมาก่อนรู้สึกถึงใจรู้สึกถึงกายพอมีกายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตมันจะใช้ช่องทางในกายเนี่ยอาอไปรับอารมณ์ที่แรงที่สุดเราเลือกไม่ได้ ว่าจิตจะวิ่งไปรู้เสียง่คือจิตจะไปรู้รูปหรือจิตจะไปรู้ความคิดเราเลือกไม่ได้จิตมันทำขึ้นมนเองอย่าเราหลับลึกๆมีเสียงมากระทบในขณะนั้นเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ว่าตอนนี้มีเสียงแปลกๆแต่จิตมันทำงานขึ้นมาเนกอทั่งมันมีหูขึ้นมา จิตก็ไปเกิดที่หูสนใจสนใจที่หูก็เกิดจิต ท, ที่รับรู้เสียงขึ้นมาตรงที่จิตรับรู้เสียงเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันไวมากนะค่อยๆหัดภาวนาไปแต่ยังไม่รู้ว่าคือเสียงอะไรรู้แต่มันมีเสียงเสร็จแล้วจิตนมันส่งสัญญาณขึ้นมาที่ใจนะสัญญามันมาแปล ว่าเนี่ยเสียงหมาเหา่าเสียงหมาเหา่าสังขารมันก็ปรุงต่อเลยทำไมหมามันเหา่าผู้ร้ายเข้าบ้านหรือเปล่านะสังขารปรุงหรือผู้ร้ายเข้าบ้านเปล่าตกใจความตกใจกใ็เกิดแม้ก่อนจะตกใจหรือก่อนจะเกิดกิเลสอะไรสักตัวนะผ่านกระบวนการมาตั้งเยอะตั้งยาวเราไม่ต้องเห็นทั้งหมด ที่หลวงพ่อเล่านี่หรอกแต่ฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเห็นมันละเอียดยิ่งกว่าตำลาอีกในตำลาไม่มีบอกหรอกว่าช็อตที่หนึ่งรู้นามธรรมาช็อตที่สองรู้รูปธรรมอะไรรมเงี้ยพอมีรูปธรรมตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาแนละ้ว ม, มีจิตไปเลือกว่าจะรับรู้อารมณ์ทางไหนตรงเนี้ยในตำราเริ่มมี ก่อนหน้านะั้นมันละเอียดมากไปดูยากในจิตที่เคลื่อนในพวังอะไรเงี้ยในตำลามีนะแต่คงนึกไม่ออกว่าจะมีใครเห็นมันเห็นได้จริงนั้นตำลาอาภิธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะอภิธรรมแท้ๆรุ่นดั้งเดิมนี่ไม่ธรรมดาเลยโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยประณีตมาก แต่ในเรื่องของรูปธรรมเนะี่ยจะเป็นตำราที่เขียนเพิ่มเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มขึ้นมาก็ฟังเล่นๆในเรื่องนามธรรมเนะี่ยเียบขาดมากเลยเราไม่ได้เรียนเพื่อให้มีความรอบรู้นะต้องตั้งหลักให้ดีบางคน มุ่ปฏิบัตินะเราเรียนรู้ไปเรื่อยเพื่อความฉลาดรอบรู้รู้ธรรมะเยอะๆไม่มีประโยชน์เลยรู้นิดเดียวรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรู้แค่นี้มีประโยชน์มากกว่ารู้ตำราทั้งหมดอีกเพราะถ้าใจมารู้แจ่มแจ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะเราจะเป็นพระโสดาบันมีคุณค่าสูงนะพระโสดาบัน ในคำภีร์บอกว่าการเป็นพระโสดาบันเนี่ยดีกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิกพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นเจ้าโลกเพราะอะไรเป็นเจ้าโลกก็ยังไม่พ้นการเวียนว่ า, นายตายเกิดช่วงหนึ่งมีอำนาจช่วงหนึ่งก็หมดอำนาจฉะนั้นไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกให้ภาวนาให้ได้ธรรมะเป็นพระโสดาบันได้ดีกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ในคาพีว่าไปางั้นบางคนก็คงไม่รู้สึกหรอกรู้สึกว่าเป็นจักรภพาตดีกว่าก็แล้วแต่ความต้องการพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามทุกคนมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วก็พอเลือกเส้นทางไหนแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ได้ผลจากการทำาันนั้นมีพิบาก ทำดีบ้างทำชั่วบ้างปราดนะบางทีไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินในคำผีมีนะพระเตมีนะไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระตอนเล็กๆเนีเ่ยพออุ้มนางตักไปตัดสินคดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งประหารนักโทษบ้างอะไรบ้างแต่พระเจ้าแผ่นดินยุคนี้ไม่ได้ทําอย่างนั้นละนะนะสมัยก่อนเวลารบก็ออกไปลบเอง เมื่อพระเตมีเป็นเด็กเห็นโอ้ไม่ดีนะมีอำนาจแล้วต้องไปสั่งประหารคนสั่งทรมานคนถ้าไม่อยากเป็นท่านอยากได้อะไรที่สะอาดบทดจดมากกว่านั้นได้ธรรมะเราจะได้อามาช่วยเหลือคนใจของพระเตมีเคยได้ยินชื่อไหมพระเตมีคนแต่ก่อนเรียกพระเตมีใบ้แกล้งใบ้ ไม่ยอมพูดเชิงคนนึกว่าเป็นใบจริงๆเรเอาไปทิ้งในป่า่อท่านหลุดออกมาจากในวังนะท่านรีบภาวนาเลยสบายนะพวกเราก็อยากใหญ่อยากรวยอยากมีโน่นอยากมี น, น, มนี่สิ่งที่เราอยากนะคือสิ่งที่ปรลาดท่านทิ้งเอา ท่านไม่เห็นสาระท่านทิ้งอยากใหญ่พวกเร า, า, าก็อยากอยากใหญ่อยากเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีอยากรวยที่สุดในประเทศรวยที่สุดในประเทศก็อยากรวยที่สุดในโลกไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระมันไม่พ้นทุกชีวิตเราเกิดมาเนะี่ยเราไม่อยากทุกข์ ตัววันนี้ยที่ดินน้นรนอยากได้นอนอยากได้เนี่ยอยากทํำนอนทำเนี่ยก็เพื่อจะไม่ทุกข์อยากรวยก็คิดว่าถ้ารวยแล้วจะได้ไม่ทุกข์จนแล้วมันทุกข์อยากซื้อของก็ไม่มีเงินซื้ออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็พอมีฐานะมีอยู่มีกินนะก็อยากสืบพันธุ์อยากมีเมียอยากมีลูกก็อยากไปเรื่อย มีเมียมีลูกแล้วก็ทุก อ, อยากมีเงินมากกว่าเขาอีกมีเงินเลี้ยงตัวคนเดียวไม่พอละเลี้ยงคนหลายคนนี่พอมีเงินเยอะขึ้นมารู้สึกไม่มั่นคงที่ถูกพวกอิทธิพลเบียดเบียนเราต้องมีอิทธิพลเองอย่างเราอยู่บ้านนอกเนี้ยพวกอิทธิพลท้องถิ่นมีฤทธิ์มีเด่ดมากที่ข้าราชการกลัวเลยเพราะว่าตัดสินกันด้วยปืน อยงเวลาจะเลือกตั้งเนะีมีคนมาสมัครรู้สองคนคนหนึ่งก็ส่งคนไปบอกนัมเบอร์สองว่าเอาเงินไหมหรือจะเอาลูกปืนเขาเล่นกันอย่างนี้นะแย่งอานาจกันให้มีอํานาจรู้สึกปลอดภัยมีอานาจแล้วปลอดภัยไหมไม่ฮะเที่ยวหาพระเครื่องรุ่นไหนจะเหนียวรุ่นไหนจะแคล้วคลาดนะ ใจมันไม่ไม่ปลอดภัยอยากมีความสุขนะก็เที่ยวหาโน่นหานี่หาไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ความสุขสักทีตอนเด็กๆใครเคยคิดว่าเรียนจบแล้วจะมีความสุขไหมใครใครคิดยกมือให้ดูหน่อยยกด้วยะยกสองมือเลยแล้วสุขไหมไม่ เราคิดว่าถ้ามีอันนี้เราจะสุขถ้ามีอันนี้จะสุขนะพอมีข้าจริงก็ไม่ใช่หเราพ่อเรารู้สึกมาแต่เด็กเลยคําว่าไม่ใช่อะตอนเด็กๆนะอยู่บ้านบ้านเกิดอยู่ในกรุงเทพถนะ น, นบริพัตรนะอยู่บ้านเกิดเด็กเล็กๆนะเรามีความรู้สึกอะ่ะลึกๆเลยรู้สึกว่า โตขึ้นเราต้องไปจากที่นี่ที่นี่ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราใจรู้สึกนะเราย้ายบ้านย้ายบ้านมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งใจนไปซื้อบ้านทีแรกไปเช่าบ้านนะไปซื้อบ้านจนแท้สุดท้ายมีหลายหลังแต่เวลาไปอยู่มันจะรู้สึกว่ายังไม่ใช่หรอกนี่ยังไม่ใช่บ้านของเรา ไอ้ที่ซื้อไว้เนี่ยอีกหน่อยคนอื่นก็มาอยู่เราก็ไม่ได้อยู่ใจลึกๆมันรู้สึกอย่างนี้ตลอดรู้สึกตลอดเลยจนมาบวชนะแล้วเขไปอยู่ที่สวนโพกะอยู่ตรงนี้ภาวนาสุมส่มๆอยู่ใจมันก็ยังรู้สึกนะไม่ใช่หรอกที่ตรงนี้ทำงานใหญ่ไม่ได้ที่สวนโพมันเล็กนิดเดียว คนไปวัดสามสิบคนเนียวัดจะแตกแล้วมาอยู่ที่นี่คิดสิใช่ยังฮะไม่ใช่เราก็ต้องย้ายอีกนะใช่ไหมโงส่สิไม่ใช่หรอกเราก็รู้นะว่าทูกสิ่ทุกอย่างที่รู้ที่เห็นที่เป็นอยู่ของโชคคราวทางนั้น ตรงนี้ยังไม่ใช่หรอกแต่บ้านที่แท้จริงของเรานะมันมีภาวนาแล้วมันเจอวันใดที่ใจพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยูนะ่เราจะเจอบ้านที่แท้จริงของเราเราจะเจอพระธรรมเจอพระสงฆ์เจอพระพุทธเจ้าพูดถึงตรงนี้อย่าไปนึก ว่ามันเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิ น, นะคิดว่านิพพานเป็นเมืองเมืองหนึ่งนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนปลุงแตงสิ้นความยึดถือในขั น, ส, นสิ้นทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกขคือตัวขันนั่นแหละคือตัวทุก เนี่ยพอใจเราวางขันลงไปนะมันก็เจอที่ไม่ทุกที่ไม่ทุกอันนี้เป็นอมตะที่ไม่ทุกันนี้ไม่ตายตราบใจที่จะมีขันอยู่อย่างเรามีขันมีกายมีใจอยู่ใช่ไหมเรามาอยู่บ้านนี้เราอยู่ได้นานไหมอยู่ตลอดไหมถึงเราอยู่จนตายเราก็ไม่ได้อยู่ต่อ ขันนี้แตกจิตก็ไปสร้างขันใหม่ขึ้นมากหมุนไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆชาติหนึ่งเคยใหญ่เป็นกษัตริย์เป็นอะไรเงี้ยเกิอดอีชาติหนึ่งไม่ได้เป็นละเป็นคนธรรมดาเนี่ยทุกอย่างมันของโชคราวไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของได้แท้จริงเลยในใจที่ภาวนานจะเห็นความจริง ่อคลายความยึดถือไปไม่มีสาระสักอย่างอยากโน้อนอยากนี่ไปได้มาแล้วก็แค่นั้นแหละใครแต่งงานละยกมือหน่อยใครที่แต่งงานละเอามือลงอันนี้ไม่ต้องตอบเสียงดังๆตอบในใจตอนจะแต่งรู้สึกไหมเหมือนนิยายนิยายชอบจบตรงพระเอกนางเอกไปแต่งงานกัน ชีวิตจริงเหมือนนิยายไหมอย่าบอกแล้วอย่าแสดงออกมาเรื่องอย่างนี้ไม่มีอายุความ <c oughs> เรารู้อยู่ในใจ ใ, นใจมันใช่ไหมมันใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงไหมสมมติว่ามีสามีคนเนี้ยได้นคนนี้มาเป็นสามีได้นคนนี้มาเป็นภรรยาในใจลึกๆรู้สึกไหมว่า วันหนึ่งก็ต้องพลากไปไม่ใช่ของเราจริงใครรู้สึกบ้างยกมือได้อันนี้ยกได้ใครรู้สึกว่างว่ามันไม่ได้มีความสุขเท่าที่คิดไว้แต่แรกอันนี้ไม่ต้องยกนะเราเป็นชาวพุทธเราไม่มุสาแต่เราต้องฉลาดอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดใครรู้สึกว่า แต่งานแล้วมันก็ไม่ใช่ตอบในใจพวกหนึ่งไม่ตอบว่าแต่ดูมันจะตอบว่ายัางไงนะไม่ใช่ไม่ใช่วะนะเนี่ยภาวนานะภาวนาไปเราจะรู้เลยว่าไอ้ น, นี่ก็ไม่ใช่ไอ้ น, นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่โซลูชันไม่ตอบโจทย์ ถึงได้สิ่งนี้มาก็ไม่พ้นทุกข์โจทย์ของเราคือต้องพ้นทุกข์ได้ทูกวันนี้ที่ดิ้นรนหาความสุขก็คิดว่าถ้ามีความสุขแล้วจะไม่ทุกข์จริงๆไม่ใช่มีความสุขแล้วความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วความสุขมันหายงั้นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือความไม่ทุกข์ไม่ใช่อยากได้ความสุขนะแต่ว่าเราคิดว่าถ้ามีความสุขแล้วความทุกข์จะไม่มี แต่ความสุขไม่เคยยั่งยืนเลยความสูขอยู่แป๊บๆเดี๋ยวก็หนีไปแล้ว ไ, ได้แต่งกับคนนี้แล้วจะมีความสุขแต่งไปแล้วรู้สึกเลยยังไม่ใช่ยังทุกข์อยู่อะ จ, จะเปลี่ยนรูปแบบของความทุกข์ไปแต่เดิมทุกคนเดียวตอนนี้ทุกหลายคนนะใช่ไหมวันนี้บอกได้สามีไม่เคยมาอยู่แถวนี้เลยนะแต่กล้องเขาไม่ได้จับหรอกไม่เขาไม่รู้หรอกว่าพยักหน้านะ สิ่งเหลือที่เราต้องการคือความพ้นทุกนะพ้นจากทุกคนในโลกก็คิด <Grund> ว่าถ้ามีความสุขก็จะพ้นจากทุกแล้วทายังไงจะมีความสุขถ้ามีสิ่งนี้จะมีความสุขถ้าได้สิ่งนี้จะมีความสุขถ้าไม่เจอสิ่งนี้จะมีความสุขก <ś> <ๆ>็คิดว่าอยากได้อยากได้สิ่งนี้มาอยากได้สาวสวยมาสักคนถ้าได้มาจะมีความสุข ถ้ารู้ว่าได้มาแล้วจะทุกข์จะเอาไหมไม่เอาเราบอกแล้วว่าอย่าแสดงออกไม่ต้องแสดงออกเรารู้ในใจพออยากได้สิ่งนี้มาคิดว่าจะมีความสุขมีความสุขแล้วจะได้ไม่ทุกข์อยากยึดครองสิ่งนี้ไว้นานๆถ้ายึดครองไว้ได้แล้วจะมีความสุข แต่คนที่มีอินทรีย์แก่กล้านะจะรู้เลยว่าเรายึดครองอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนี่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยบ้านในอุตสาห์สร้างมาอย่างดีเลยนะพิถีพิถันมากเลยลายจิกช่างทั้งวันเลยตัวนี้ต้องอย่างนี้ตรงนี้ต้องอย่างนี้สร้างบ้านเสร็จไม่ได้อยู่บ้านหรอกไปทำที่โน้นที่นีอน่ออกไปทำงานที่อื่นสุดท้ายบ้านก็เป็นของคนอื่นไปอีก สิ่งที่ครอบครองนะอยากครอบครองแล้วจะมีความสุขอันแรกอยากได้แล้วจะมีความสุขพอได้มาแล้วยังพอใจอยู่อยากครอบครองครอบครองไปครอบครองมาก็ไม่เห็นมันจะสุขนะเป็นภาระด้วยใครมีรถคันแรกใครมีรถบ้างตอนซื้อมาครั้งแรกรู้สึกไม่เป็นห่วงไหมเป็นห่วง เราก็ขับดีนะแต่คนอื่นมันขับไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นห่วงหรือคนมันแกล้งมาถอดอยางเราไปมันขโมยกระทั่งกระจุบลมนะขโมยหลวกพ่อโดนันขโมยกระจุบลมต่อยมันไปอย่างนี้แล้ววะมันมาขโมยฝากคราบลาเออมึงขโมยไปก็วิ่งล้อเกลี้ยงเกลียงเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะคนม่นแกล้งเอาเหรียญมาขีดรอบรถเลย ใกล้เฉยๆไม่รู้จักกันเราไปจอดรถซื้อของกลับมาโอ้ยรถลายพลอยเลยฉีดไอ้คนฉีดมันนั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆนั่นแหละะมันนั่งล้างอะไรของมันอยู่ ใ, ใกล้ๆมันมองเราเรามองมันปลาดเรรู้อ๋อไอ้นี่เองอะ่ะมันไม่รู้ว่าเรามองหน้าก็รู้ใจนะเออช่างมึงไม่อยากตีกับมันกลัวสู้มันไม่ไหว เนี่ยมีอยู่นะก็ทุกข์นะงั้นมีอยู่ไม่ใช่สุขใครอยู่บ้านมีบ้านอยู่ที่อยู่มาเป็นปีแล้วมีไหมต้องซ่อมอะไรไหมต้องซ่อมกลัวขโมยเข้าบ้านเลยเนี่ยขโมยเข้าบ้านขโมยมโหมากเลยรื้อไปหมดบ้านเลย มีแต่เหรียญเรียเก่งอยู่อันเดียวนะทางบ้านไม่มีสมบัติให้เอาเลยมันแค้นมากนะมันเอาเหรียญเรียนเก่งไปตอนะนเป็นนักเรียนมันเอาไปใช้สามอันเลยหนะเรียนเก่งมากนะเพศได้เหรียญทองมันคงภูมิใจน้ำไปห้อยมันคงฉลาดขึ้นนะีสิ่งที่เรามีนะ มันไม่ใช่มีความสุขนะแต่มันมีภาระสิ่งที่อยากได้มาดิ้นรนที่จะได้มาเป็นภาระไหมอยากได้ก็มีภาระต้องดิ้นรนได้มาแล้วอยากรักษาไว้ก็ต้องดิ้นรนนะนี่ได้มาแล้วเบื่อไม่ชอบก็ต้องดิ้นรนอีกล้าทำไงจะพ้นไปอย่างบาคนเบื่อเมียมากเลยไม่ต้องยกมือนะแต่หลวงพ่อรู้อยู่เบื่อเมีย ก็ต้องดิ้นรนนะทำไงจะพ้นไปดิ้นไม่ได้ทำยังไงก็ตรอมใจใช่ไหยตรอมใจ ه, นี่ยนะไม่ฟังคนโบราณเตือนผู้หญิงอ่ะแก่ง่ายตายยากพูดมากจินจุดอยังกระหมาอย่างเงี้นะนั่งบ่นไปเรื่อยๆไม่มีความสุขอยากให้หมดไปสิ้นไปแล้วมันยังไม่หมดไม่สิ้นก็ทุกข์อีกแล้วนะ ความอยากที่ไรก็ทุกทุกทีไดยเพราะฉะนั้นที่อยากทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะมีความสุขแต่ทันทีที่อยากก็ทุกข์ซะแล้วแล้วพอได้อย่างที่อยากนะความสุขก็หายไปรักษาไ้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งมาที่ให้แสวงหาความสุขนะท่านมุ่งไปที่เป้าหมายที่แท้จริงเลยคือไม่ทุกข์ คนในโลกคิดว่าถ้ามีอันนี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์ถ้ารักษาสิ่งนี้ไม่ได้ก็จะมีความสุขแล้วไม่ทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะก็จะไม่ต้องเป็นภาระนาสบายใจจะมีความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์เนี่ยใจนี่มันมีคำว่าท่าอยู่ด้วยจากใดที่มีคำว่าท่าท่าอย่างนี้เราจะได้สุขถ้ามีความสุขจะไม่ทุกข์ เนก็ดิ้นอยู่อย่างนี้มีคำว่าท่าคำว่าท่าไม่มีจริงอ่ะไม่มีจริงฮะถ้ามีจริงมันไม่ได้มีคำว่าท่าใช่มถ้าถ้ามีแฟนสักคนอะจะมีความสุขถ้ามีแฟนคนหนึ่งแล้วจะมีคำว่าท่ามีแฟนสักคนไหมไม่มีไม่คำว่าท่าทั้งหลายที่เราหวยหากันมันไม่มีมันไม่มีจริงเพราะงั้นตั้งแต่อยากเนี่ยก็ทุกแล้วเรียกว่าถูกตั้งแต่อยาก เพราะมันไม่มีสิ่งที่อยากอ่ะของยังไม่มีอยากได้ของมีแล้วอยากให้มันหายไปอย่างเงี้ยก็มันยังอยู่มันยังไม่หายนัน่นเป็นของที่ยังไม่เป็นความจริงความอยากของเราเนี่ยเป็นเรื่องไร้เดียงสามันอยากในสิ่งซึ่งไม่มีจริงทั้งนั้นแถ้ามันมีจริงแล้วมันไม่ต้องอยากเงี้ยความอยาก ไม่ได้นำความสุขมาให้แต่มันนำภาระนำความทุกข์มาให้งั้นนักปราศก็จะรู้ว่าการตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆหรือการปฏิเสธความอยากไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์จริงพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ความจริงรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์ในความหมายของพระพุทธเจ้าคือทุกขสัตว์เนี่ย ไม่ใช่แค่อกหักรักคูณเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์ยากจนเป็นทุกข์ป่วยไข้เป็นทุกข์ไอ้นั่นตื้นไปสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจนะ่ะคือรูปธรรมนามธรรมนี้มีกายแล้วทุกข์ไหมมีรูปทุกข์ไหมมีรูปก็มีภาระมากมายที่ต้องดูแลรักษาใช่ไหมเรารักษาได้ไหมถึงจุดหนึ่งก็รักษาไม่ได้มีจิตใจอยากให้จิตใจมีแต่ความสุขก็ขดิ้นรน สแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินทั้งหลายแล้วมันอิ่มมันเต็มไหมจิตใจก็ไม่เคยมีความสุขเง่นตัวที่เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงนะคือกายกับใจของเรานี้นะคือตัวทุกข์ที่แท้จริงนี่เราไม่เข้าใจตรงนี้นะก็เลยไม่พ้นทุกข์ก็ดินน้นรนหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองร่างกายหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองจิตใจหวังว่ามันจะอิ่มมันจะเต็มมันจะมีความสุขแล้วมันก็มีไม่ได้ เพราะอะไรเพราะตัวมันคือตัวทุกข์เราจะเรียนจกนกระทั่งวันหนึ่งเราจะเห็นนะกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ได้จิตก็วางวางอะไรก็าวางกายวางจิตวางรูปวางนามวางขันห้าพระพุทธ เ, เจ้าท่านสรุปเลยนะว่าสังขิตเตนะปัญจุ ป, ป า, าทานคันธาทุกขาว่าโดยย่อดโดยสรุป嘛 อุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันคือขันที่พวกเรามีเนี่ยแหละขันห้าที่พวกเรามีเนี่แหละอุปาทานขันขันบางส่วนไม่ใช่อุปาทานขันอย่างโลกุตระจิตนี่ไม่ใช่อุปาทานขันโลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตไม่ใช่อุปาทานขันแต่เราไม่มีเรามีขันที่เป็นอุปาทานขันเท่านั้นร่างกายนี้เห็นไหย เร า, าเรียนรู้ลงไปนะร่างกายนี้ทุกมันคือตัวทุกพอเรียนรู้ความจริงแจ่มแจ้งแล้วร่ากายนี้คือตัวทุกเนะี่ยความอยากให้กายไม่ทุกจะไม่เกิดความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่เกิดความอยากใดๆเกี่ยวกับกายก็ไม่เกิดอย่างพระอรหันต์เนี่ยนะไม่ได้อยากตายนะแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่นะเป็นกลางกับขันทธที่มันมีอยู่ ไม่ใช่ว่าพอนาไม่ยึดถือแล้วก็ไปฆ่าตัวตายไม่ใช่ฆ่าตัวตายยังเป็นวีภวะตัณหายอย่ังอยากอยู่อยากให้มันหมดไปสิ้นไปแไม้ท่านไ้ฆ่าตัวตายแต่ถ้าจะตายจะเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะท่านไม่ได้รักมันไม่ได้ผูกพันห่วงแหนแต่ถ้าเรารู้ความจริงของกายนะเราจะไม่รักใคร่ผูกพันห่วงแหนในกายเพราะรู้ความจริงว่ามันคือตัวทุกข ถ้ารู้ความจริงของจิตใจเราจะรู้ว่าจิตใจนี้คือตัวทุกตัวจิตเองเลยคือตัวทุกนะงื้นถึงจะไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตับสนองจิตก็ตัวจิตเป็นตัวทุกอะเอาอารมณ์ที่วิเศษที่ไหนมายั่วยวนมันนะมันก็ไม่พ้นทุกตัวนี้เห็นยากที่สุดนะตัวที่เห็นกายเป็นทุกเนี่ยยังพอดูง่ายแต่ตัวที่เห็นจิตเป็นตัวทุกเนี่ยเราไม่เห็น เราเห็นแต่ว่าถ้ามีเจตสิกที่ไม่ดีมีอารมณ์และสิ่งประกอบจิต ท, ที่ไม่ดีอะไรอยงี้เราถึงจะทุกข์เราไม่รู้หรอกว่ากระทั่งจิต ท, ที่สงสารอยู่นะสว่างสวัยเบิกบานสงสารอยู่มันทุกข์นะมันทุกข์มันถูกบนะีบคั้ น, นตัวนี้ต้องภาวนากันหนักหนาสาหัสนะตสู้ตา ย, ยอยอกหยอกแยแยม่ได้กินหรอก ตัวนี้มันถึงขั้นข้ามัตตเลยพ้นไปเลยแต่ถ้าจะเอาแค่โสดานะก็รักษาสี่ห้าไมพอมีหวังไหมยากเหมือนกันหนะ้าสี่ห้าโดยเฉพาะไม่เพริรเจอร์เลยยากมากเลยเล่นหลายทั้งวันเพริรเจอนะคอมเมนต์เขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์ใช่ไหมใน a c e b o o k เมนต์มันทุกเรื่องเพริรเจอนะ ไม่เล่นได้ไหมไม่เล่นได้จะขาดใจตายบอกให้อดข้าวดีกว่าอย่าเล่นเน็ต่างคนมาเล่นเน็ตมันลืมกินข้าวเล่นเกมเล่นอะไรงั้นถ้าอยากได้โสดาบัต น, นะมีศี่ห้าไว้อันที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไว้อย่าเผลอเพลินกับโลกอย่าหลงกับโลก ตะเวรเปิดเปล่งฟุ้งซานทั้งวันใช้ไม่ได้พยายามฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆถือศีลห้าไว้รู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตที่ใจเวลามันรู้กายรู้ใจรู้สภาวะทั้งหลายมันมักจะไม่เป็นกลางให้รู้ไปจนกระทั่งมันเป็นกลางทีแรกรู้ว่าไม่เป็นกลางมันจะเป็นกลางชั่วคราวต่อไปปัญญาแก่กล้าขึ้นมันรู้ว่าทุกอย่างเท่าเทียมกัน สุกระทุกเท่าเทียมกันดีกับชั่วเท่าเทียมกันจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาค่อยๆฝึกไปแต่ตอนโสดาบันไรไม่ได้ยากนักหนาหรอกนะไม่ได้ยากเท่าที่ปรรยานี่มีสี่ห้าไวนะ้คอยรู้เนะื้อรู้ตัวไปดูกายดูใจมันทำงานไปให้มากที่สุดอย่าหลงละเลงเพลิดเพลินกับโลกฝึกไปเรื่อยๆนะจิตนจะมีพลังขึ้นเรื่อยๆ ทีแรกเรามีศรัทธาบุ๊บปุ๊ป้าปานะ น, นเราภาวนาไปเราเห็นผลของการปฏิบัติจิตเราสงบสุขดีขึ้นเรื่อยๆกิเลสลดลงมาทำอะไรเราได้ยากขึ้นศรัทธาเขาจะแรงขึ้นรู้สึกว่าเออปฏิบัติแล้วดีแฮ่เชื่อมัน่นทีแรกนะจะนั่งสมาธิสิบนาทีก็จะตายแล้วอดทนทำไปทุกวันทุกวันต่อไปทำชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ตาย วิริยะมันก็มากขึ้นนะมันทำแล้วมันเห็นผลที่ดีก็เกิดความขยันมั่นเพียรอย่างพวกเราเรียนกับหลวงพ่อแล้วใครรู้สึกว่าชีวิตจิต ใ, ใจดีขึ้นยกมือสิมีไหมเออพวกนี้จะเหนียวแน่นนะถ้าเรียนแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าดีขึ้นศนระัทธาก็จะคลอนแคลน ง, ง่ายอย่างเราเรียนแล้วเราเห็นนะเราเปลี่ยนเราพัฒนาศรัทธาเราจะแรงกล้าขึ้นนะ พอศสัทาเราดีขึ้นความเพียรของเราก็ดีขึ้นในกวนเพียร น, นี่คือเพียรรู้กาย <c oughs> เพียรรู้ใจของเราตัวที่เป็นตัวรู้กายรู้ใจคือตัวสติงั้นเราขยันรู้กายรู้ใจเรื่อยๆสติเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆพอสติดีเนียจิตเคลื่อนพุบสติรู้ปั๊บสมาธิของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆพวกเรารู้สึกไหมที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วสมาธิของเราดีขึ้นรู้สึกไหมจิตสงบจิตตั้งมั่นได้มากขึ้นรู้สึกไหม แล้วใครแยกรูปนามได้ใครแยกขันได้มีไหมเยอะแยะแยกได้เกือบทั้งหมดแล้วตัวนั้นเปเราจะเริ่มเดินปัญญาลนะใครเคยเห็นไหมว่าความรู้สึกทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปใครเคยเห็นไหมความรู้สึกมาแล้วไปนั่นคือการเจริญวิปัสสนานะทุอย่างมันเกิดแล้วดับทุกอย่างมันเกิดแล้วดั บ, น, ดดบนี่คือปัญญาที่เรามี งั้เราเบื้องต้นศรัทธาเราเล็กน้อยนะเราก็พยายามถือสีลห้าไว้ก่อนเชื่อพระพุทธเจ้าถือสีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกันตัวไว้แล้วต่อไปพอเราเห็นผลของการปฏิบัติชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนศรัทธาเราก็จะแรงขึ้นศรัทธาแรงขึ้นวิริยะมากขึ้นมีความเพียรคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆสติเราก็ดีขึ้นพอสติดีขึ้นนะจิตเคลื่อนปั๊บเห็นปั๊บเห็นเองะสมาธิเราก็จะดีขึ้น แล้วต่อไปพอดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะปัญญาก็จะแก่รอบขึ้นมาเงินทําอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะจิตมันจะมีพลังนะจิตจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพลังเนี่ยถ้าแยกแยะออกไปก็คือใอ้ห้าตัวนั้นนะศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานะรู้สึกไหมพวกเรามันมีพลังของจิตมากขึ้นใครรู้สึกตรงนี้บ้างนะเยอะแยะเลยนะ มันจะต้องมีพลังสะสมอย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันจะก้าวกระโดดมันจะก้าวกระโดดของมันเองห้าตัวเนี้ยรวมเป็นหนึ่งนะก้าวกระโดดพาจิตเนี้ยก้าวกระโดดไปสู่โลกุตตะธรรมนะไดโสดาบันพอได้โสดาบันแล้วเราก็ต้องมาสะสมพลังขึ้นมาอีกนะสะสมสะสมไปนี้บางคนนะสะสมไปสักพักนี้ขี้เกียจนะพลังตกอีก ขยันขึ้นมาอาศาสมอีกแล้วเดี๋ยวขี้เกียจอีกแล้วก็ตก อ, อีกก็ขยับอยู่เงี้ยนะเขาเรียกสารวันเตี้ยลงทีแรขึ้นไปได้เยอะนะแล้วก็เตี้ยอย่างเงี้ยเตี้ ย, ยงจริงๆนะสุดท้ายหมดแรงอย่างพวกที่บวชนานๆเที่หมดแรงภาวนานะพระที่บวชนานๆที่ท่านไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรจริงจังบวชอยู่ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันหมดไฟเรียหมดไฟในทางโลกยังใช้คํานี้ไหม หมดไฟแนละ้วหมดพลังการปฏิบัติเน่ยนะยังมีไฟอยู่ต้องรีบปฏิบัตินะแล้วปฏิบัติแล้วยิ่งเห็นผลเนะี่ยไฟยิ่งแรงนะแต่ถ้าปฏิบัติบ้บางขี้เกียจบ้างนะไฟค่อยตกลงไปเรื่อยสุดท้ายไฟมอดไฟมอดช่วยไม่ได้แนละ้วค่อยๆสะสมเอาใหม่ไปกินข้าวไประหว่างกินข้าวถือศีลห้าไว้ สยู่ีห้ารู้เนื้อรู้ตัวไปรู้กายรู้ใจไปฝึกให้เป็นนิสัยที่จะคอยรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจตลอดเวลาที่ไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนินมนต์เลยครับ